อันหนึ่งเพิ่งเห็นอายตนะเหล่านี้โดยความไม่เคลื่อนไปและไม่มีความพยายามจริงอยู่อายตนาทั้งหลายมีจกักษุและรูปเป็นต้นจะได้มีความคิดอย่างนี้ว่าโอ้หนอชื่อว่าวิญญาณพึงเกิดขึ้นเพราะพวกเราพบกันดังนี้ก็หาไม่มีไหมตาผู้การก็เห็นสีออกมาปั๊บเนี่ยนะตาบอกไว้เลยว่าให้จิตเห็นให้เกิดนะัสีเนี่ยบอกเลยว่าให้จิตเกิดไม่ได้มีใช่ไหมไม่ได้คิดไว้เลยอ่ะนะ และอายตนะเหล่านั้นจะขวนขวายเพื่อความพยายามให้วิญญาณเนี่ยเกิดขึ้นโดยความเป็นทวารโดยเป็นวัตถุหรือโดยความเป็นอารมณ์ก็หาไม่คือไม่ต้องพยายามตาก็ไม่ได้พยายามให้จิตเห็นเกิดใช่ไหมสีก็ไม่ได้พยายามให้จิตเห็นเกิดเนี่ยนะเพราะมันไม่ได้เออฉันจะเป็นทวารให้นะแก ต, ต้องเป็นอารมณ์นะพวกนี้ไม่ได้มีความพยายามเลยนะไม่ต้องมาจัดสรร์ตั้นแต่งอะไรเลยโดยที่แท้ มันเป็นเรื่องธรรมดาเท่านั้นที่จะครูวิญญาณเป็นต้นจะเกิดขึ้นเพราะความที่อจตนะมีจกักษุและรูปเป็นต้นพบกันอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยนะแล้วก็เหมือนกับมือซ้ายเนี่ยสมมติว่าตบมือเนี่ยนะมือซ้ายมือขวาให้กระทบกันเนี่ยนะมือซ้ายบอกว่าถ้าฉันพบแกแล้วแกต้องออกเป็นเสียงแบบนี้นะอันนมือซ้ายมือขวาก็ไม่ได้มีเจตนาที่ไปแต่งเสียงอะไรเลยเนี่ยนะฉันใดก็ดีตากับสีก็เหมือนกันนะไม่ได้เป็นตัวที่ ที่ตั้งใจมีเจตนาเพียรพยายามให้จิตเห็นเนี่ยเกิดขึ้นก็ไม่ใช่ใช่ไหมแต่ว่าเมื่อได้ปัจจัยนะจิตเห็นก็เกิดขึ้นเพราะว่าไม่ได้การเห็นไม่ได้อยู่เฉพาะแค่ตากับสีเท่านั้นยังมีปัจจัยอย่างอื่นอีกเนี่ยนะที่มาปรุงแต่งเป็นปัจจัยให้การเห็นจึงเกิดขึ้นเนี่ยนะหรือผู้ที่เจริญวิปัสสนาก็ควรเห็นว่าอายตนะภายในยเหมือนกับ เรือนว่างอายตนาภายนอกเหมือนกับโจรปล้นคาว่าอายตนาภายในเหมือนกับเรือนว่างคำว่าว่างอ่ะไม่ใช่อายตนาภายในไม่มีตานี่มีอยู่ใช่ไหมแต่ตาเนี่ยว่างจากความยั่งยืนว่างจากความงามว่างจากความสุขและว่างจากอัตตาเนี่ยนะนอายตนาภายในเนี่ยว่างจากความเที่ยงเป็นต้นอายตนาภายนอกก็เหมือนกับ จรปล้นนะก็พอเห็นปั๊บนะสีไหนบั่งที่ไม่ก่อให้เกิดกิเลสเนี่หายากเต็มทีเนี่ยอารมณ์ไหนบ้างที่ไม่ก่อให้เกิดกิเลส น, น, นะา ห, ห, นา ห, นะหายากมากสำหรับผู้ที่ไม่ได้อบรมจิตใช่ไหมเพราะฉะนั้นจึงเหมือนโจรปล้นสีที่รับรู้เสียงที่รับฟังเนี่ยนะอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยพากุศ ล, ลจิตหายหมดเลยเนี่ยนะ อันนี้ว่าโดยย่อนะสับว่าอายตนะเฉยๆทีนี้ถามว่าในบรรดาอายตนะภายในหกกับอายตนะภายนอกหกนี้ในขันทวรารวัตคท่านอุปมาอายตนะภายในหกเหมือนกับบ้านเรือนใช่ไหมอายตนะภายนอกหกเหมือนกับเรือสวนไรนาเนี่ยน่คืออายตนะภายในหกเนี่ยเหมือนกับเรือนกับ เจ้าของเรือนแม่เรือนพ่อเรือนลูกอะไรทั้งหลายนะที่ ท, ที่มันอยู่ภายในบ้านอะ่ะกับใน ท, ที่ที่ทำงานนะเราจะยึดติดในภายในมากกว่าพันสัตว์ทั้งหลายนี้ยึดติดในตามากกว่าสีเพราะสีเนี่ยนะเราอาจจะไม่เห็นสีบางอย่างก็ได้ใช่ไหมขอให้มีตาอยู่ต่อไปเพื่อจะได้เห็นสีอันอื่นๆต่อไปใช่ไหพันห่วงตาเนี่ยมากห่วงหูมากกว่าห่วงเสียงห่วงจมูกมากกว่าห่วงกลิ่น หัวงลิ้นมากกว่าหัวงรถติกันะหัวงกายมากกว่าหัวงโพธิภะหัวงใจมากกว่าหัวงธรรมรมณ์เพราะนั้นก็ยึดติดภายในมากกว่าภายนอกอันนี้เรียกว่าภายในจริงๆเลยนะเป็นที่ห่วงแหนทนุถนอมมากส่วนภายนอกนั้นความทนุทนอมก็ท้นอกคือถ้นอกยิ่งนอกกายด้วยยิ่งไม่ห่วงเลยนะถ้ายิ่งนอกกายด้วยความห่วงก็จะน้อยลงไปน้อยลงไป ไอ้ที่หวงข้างนอกโดยทั่วๆไปก็เพราะรักข้างในนั่นแหละเพราะถ้าไม่เลิกถ้าไม่รักข้างในสัอย่างเดียวจะไม่ติดในข้างนอกแม้แต่น่อยเดียวเลยนะเพราะรักตาเพราะรักตามากนั่นแหละจึงต้องการสีใช่ไหมเพราะรักหูมากนั่นแหละจึงต้องการเสียงเพราะรักจมูกมากนั่นแหละจึงต้องการกลิ่นเพราะรักลิ้นมากนั่นแหละจึงต้องการรสนะเ <laughs> พราะรักกายมากนั่นแหละจึงต้องการ โพธาภะเช่นหนาวๆนี่เห็นชัดเลยนะรักกายมากจึงสแสวงหาโพธาภะถ้าร้อนมากต้องการเย็นขึ้นมาก็าเพราะรักรักกายอีกนั่นแหละทนุถนอมมากรักใจมากนั่นแหละจึงหวงแหนอารมณ์ทั้งหลาย <c oughs> ว่าจะต้องอารมณ์จะต้องเป็นอารมณ์แบบนั้นแบบนั้นนะเพื่อที่จะได้รักษาใจนั่นเองอั น, น, นอายตนะภายในนี้ก็เป็นที่ยึดถือหวงอายตนะภายนอกก็ก็หวงเหมือนกันแต่ว่ารองลงมาจาก จากอายตนะภายในเนี่ยดูอัตกรฐานะหน้ายี่สิบเจ็ดนะจะได้เริ่มทำปริญญาอายตนะเนี่ยภาษาบาลีว่าอะไรนะูชตาประชานติจักคุณจะ ก, กประชานติ อ่หน้าหน้าสบาลีหน้าสามนนะอีท่าภิกเวจักขุณจะประชานติรูปเปจะประชานติยันจะตะทุพยังปฏิจจะอุปชติสัญโยชนังตันจะประชานติยัทธาจะอนุปนาาัสสะสัญโยชนาาัสะอุ ป, ปาโทโหติตันจักปชาณติ ย่าท่าจะอุ ป, ปนัสสะสัญโยชนะสะปห่าหนังหูติตัจนตจะประชาณติอย่าท่าจะปหินสัสสะสัญโยชนะสะอายติงอนุ ป, ปาโทโหติตันจะประชาณตินั้นก็เน้นประชาณติมากนะคำว่ารู้ชัดอันนั้นหมายถึงรู้ชัดด้วยประชานาติก็ประชานาติก็หมายถึงปะนี้เป็นชื่อของปัญญ า, น, านะชาณะปะนี้แปลว่าวทั่วชานะแปลว่าวรู้แปลว่าวรู้ทั่วนั่นเองตรงนี้นิยมแปลว่าวรู้ชัด อันนะั้ก็รู้ชัดด้วยอนุภาพของปัญญานนะในอัตถกถาอธิบายว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงจำแนกธรรมานุปัสสนาด้วยอำนาจขันอย่างนี้แล้วบัดนี้เพื่อจะทรงจำแนกโดยอายตนะจึงตรัสว่าปุณะจะปรังอันนะข้ออื่นยังมีอีก mm hmm. ก็ถ้าอันนี้ก็เป็นวิธีแสดงอีกในหนึ่งของตามสัตตถาสูตรเหมือนกันใช่ สตัตธรนสูตรก็ให้รู้จั ก, กรูปให้รู้จักขันหก่อนมานี้ขันห้านี้เหตุเกิดของขันห้านี้ความดับของขันห้านี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับขันห้านี้อสสาธะของขันห้านี้อาทีนวะของขันห้านี้นิสรณะของขันห่าเสร็จแล้วก็ดารงเมื่อรอบรู้ในสิ่งนั้นก็มาดำรงทั้งหมดนั้นโดยความเป็นอายตนะเป็นธาตุและเป็น ปฏิจจสมุปบาทนั่นเองอ น, นะถ้าถ้ามองแล้วก็ไม่ได้มีความต่างกันเลยฉันก็เอาสิ่งที่เป็นขันนั่นแหละมาไข้ครวญโดยความเป็นอายตนะนั่นนะแล้วก็แสดงอายตนะต่อจากขันในบรรดาขันกับอายตนะนะขั น, นเน้นนามธรรมามากกว่าเน้นรูปธรรมถ้าอายตนะเน้นรูปธรรมามากกว่านามธรรมาแต่จริงๆคือที่เดียวกัน ที่เดียวกันถ้ากล่าวโดยความเป็นรูปเป็นนามเนี่ยนะรูปประขันนับเป็นหนึ่งไรูปเป็นรูปเนี่ยหนึ่งส่วนนามเนี่ยแบ่งออกเป็นสี่ส่วนอายตนะนี่เป็นรูปสิบเอ็ดครึ่งเป็นนามหนึ่งครึ่งเนี่ยนะก็มีโยมเขาถามว่าท่านกล่าวแล้วท่านไม่แยกเลยเข้างั้นถามมาวานันวันนี้เลยมาตอบเลย คือถ้ากล่าวโดยอายตนะนะถ้าย่อมาให้เหลือเป็นรูปเป็นนามเนี่ยน ะ, ะเป็นรูป11ครึ่งเป็นนามหนึ่งครึ่งอันนี้โดยการนับนะโดยวิธีนับอย่าไปถือจำนวนตัวเลขในในองค์ธรรมที่เป็นรูป 11เครึ่งนั้นก็คื อ, อ น, นะตากับสีคู่ที่1 น, นะตากับรูปคู่ที่1 น, นะหูกับเสียงอันนี้ก็คู่ที่2จมูกกับกลิ่นคู่ที่3คู่ที่สีก็ลิ้นกับรสคู่ที่5กายกับโพัพพะ นั่นนะก็ห้าคู่ก็เท่ากับสิบแล้วใช่ไหมสุขมุมทั้งทั้งสิบคู่เนี่ยนะเขาเรียกว่าขอไปทั้งห้าคู่นี่เรียกว่าโอลาริกรูปนั่นน ะ, ะนะถ้าขยายโดยสภาวะธรรมจะได้สิบสองรูปเพราะว่าโพธะนี่มีอยู่สามใช่ไหมคือ ปฐวีโพธพารมเนี่ยนะเตโชโพธพารมและวายโพธพารมอนนะถ้าแต่ขยายไปมันจะเป็นรูปสิบสองเรียกว่าโอลาทีกรูปสิบสองเป็นอายตนะที่เป็นรูปสิบนะเนียนะส่วนที่เป็นสุขุมมรูปสุขุมมรูปสิบหกนี่นะนับเป็นครึ่งเดียวนับครึ่ง โดยการนับนะส่วนที่เป็นนามนี้จิตนับหนึ่งส่วนเจตสิกเจตสิกมีห้าสิบสองแต่ว่านับครึ่งโดยการนับเพราะฉะนั้นครึ่งที่เป็นเจตสิกกับครึ่งที่เป็นสุขุมมรูปบวกกันจะเป็นหนึ่งพอดีนัะนะ่นเองก็เลยว่าเนี่ย เป็นรูปสิบเอ็ดกึ่งเป็นนามหนึ่งกึ่งอย่างนี้อันนี้โดยการนับนะไหนเนี่ยจะเออต้องเป็นสิบกึ่งใช่ไหมไม่ใช่สิบเอ็ดกึ่งเออต้องเป็นสิบกึ่งนะขอภาย ที่เป็นเป็นรูปเนี่ยสิบครึ่งที่เป็นนามหนึ่งครึ่งก็เป็นส2บสองเพราะในอายตนานี้แสดงรูปมากกว่านามแสดงนามแค่หนึ่งครึ่งเองแสดงรูปตั้ง1ิบครึ่งแต่ถ้าเป็นขันนะเป็นรูปหนึ่งเป็นนามสเนี่ย แต่ถ้าเป็นธาตุนี้ก็จะพอๆกันนี่ใกล้เคียงกันคือสิบครึ่งกับเจ็ดครึ่งอะนะใกล้เคียงกันมากราั้นสิบกับเจ็ดนี่ใกล้กันทีนี้อธิบายบทว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายอีกประการหนึ่งพิสุพิจารณาเห็นธรรมะในธรรมะเกือยตนะภายในและภายนอกห พิสูพิจารณาเห็นธรรมะคืออายตนะภายในและอายตนาภายนอก6อย่างไรเล่าบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าฉะาสุอัชติกะา a ิ i parihesu ย y a t n e s แปลว่าในอายตนะภายในและภายนอกหเห น, นะเหล่านั้นความว่าในอายตนะภายในหเหล่านี้คือตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายใน6นะคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจ ส่วนอายตนะภายนอก6เหล่านี้คือรูปเสียงกลิ่นรสโพธะะและธรรมรมนี่ก็อธิบายทวารตาเลยว่ารู้ชัดตารู้ชัดรูปรู้ชัดสังโยตที่อาศัยตาและรูปทั้งสองนั้นเกิดขึ้นอันหนึ่งสังโยตที่ยังไม่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นด้วยประการใดย่ยอมรู้ชัดประการนั้นด้วยสังโยตที่เกิดขึ้นแล้วจะละเสียได้ด้วยประการใดย่ยอมรู้ชัดประการนั้นด้วย สังโยชน์ที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยนี้ก็เลยไปดูหน้ายี่สบเกเลยเนะี่ยบทว่าจะขุนจะประชานาติว่ารู้ชัดจากสุเนี่ยนะความว่ารู้ชัดจากขู่ภาษาทะโดยลักษณะพร้อมทั้งกิจตามความเป็นจริงรูปจะประชานาติรู้ชัดรูปความว่า รู้ชัดรูปอันเกิดแต่สมุทฐานสี่คือกรรมจิตอุตตุอาหารในภายนอกโดยลักษณะพร้อมด้วยกิจตามความเป็นจริงบทว่ายันจะตะทุพยังปฏิจจะอุปัชติสังโยชนังความว่าสังโยช์ย่อมอาศัยอายตนาทั้งสองเกิดขึ้นสังโยช์มีสิบนะคือการมราคะปฏิฆะมานะทิถิวิจิกิชาสีลพตปรามาตภวะราคะอิจฉามัชยะและอวิชา การแสดงสังโยชน์มีอยู่สองนายในนี้อีกนายหนึ่งนายอื่นก็คือขึ้นต้นด้วยสักาญาิทิวิจิกิจชาเีลพัตต์ปรามมัดอันนั้นแสดงแบบอุทธมภาคยะสังโยชน์อั น, นั้นกับอรัมภาคยาสังโยชน์กับอุทธำพาคยาสังโยชน์นะสังโยชน์เบื้องต่ำเบื้องสูงแต่อันนี้ก็แสดงแบบธรรมดาไม่ได้แยกเป็นเบื้องต่ำเบื้องสูงอะไรก็แสดงแบบรวมๆไปเลยเหมือนกัน ย้อนทบทวนในส่วนที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วคือจักสุใช่ไหมรู้จักจักขู่ภาษาทะ คำว่าจักขู่ภาษาท่านี้โดยสับแปลว่าไงภาษาทะนะงภาษาท่กับคําว่าจักขูใช่ไหมจักขู่นี่แปลว่าจักคติใช่ไหมแปลว่าชอบเยอะนะแปลว่าชอบก็ได้หรือที่เรียกว่าส่องให้เห็นความ เป็นตัวที่ส่องให้เห็นความสม่ำเสมอหรือไม่สม่ำเสมอเนี่ยนะก็ได้ความหมายหนึ่งที่เรียนอภิธรรมมัตสังกหานะท่านอินดีกาท่านแยกให้ส่วนภาษาธานนี่แปลว่าความใสนี่ทีนี้ความใสอันนี้เกิดจากอะไรความใสของอะไรมหาภูตรูป เป็นความใสของมหาพูตธรูปมหาพูทธรูปอันนี้เกิดจากกรรมเป็นสมุทฐานกรรมมัสมุทฐานอันนี้เกิดมาจากปัจจัยคือรูปปตัตญหาเโอกว่าจะมาเป็นตาเนี่ยนะยาวเฟยเลยอะ มหาภูตรูปก็ประกอบไปด้วยปัทวีใช่อาปโปเตโชและสุธะคืออีกตัวหนึ่งคือวายโยเอ่อพวกนี้เป็นปัจจัยแก่จักรคูภาษาธาตหมดเลยทั้งปัทวีอาปโปเตโชและวายโยเนี่ยนะด้วยอำนาจนิสยะปัจจัยหรือสหาชาติปัจจัย ลูกศรในเนี้ยมันจะมีชื่อปัจจัยหมดเลยถ้าถ้าเรียนไปถึงวิชาปฐารเนี่ยนะเดีวปีหน้าถามผู้การทัณฑ์ได้สบายมากในมหาผู้เหล่านี้เนี่ยมันจะมีตัวที่อนุบาลรักษารูปเหล่านี้คืออะไรตัวรักษาก็คือชีวิตเนาะชีวิตเป็นตัวรักษา เขามีพี่เลี้ยงด้วยนะต้องอาศัยพี่เลี้ยงคืออาหารโอชาเนี่เป็นพี่เลี้ยงจากครูภาษาทะชีวิตนี้ก็รักษาอนุบาล น, นั่นนะเตโชธาตก็ก็ดูแลรักษาเหมือนกันให้ความอบอุ่นไ <c oughs> ว้เพราะนั้นก็บอกแล้วก็ยังมีจิตเป็นปัจฉาช า, ชาแต่ปัจจัยด้วยนะถ้าจะแยกอีกห น, นหนึ่งอนะ มีจิตด้วยเป็นปัจฉาชาถัาพย์ใจคือดีนะว่ากายนี้หรือรูปนี้ดำรงอยู่ได้ด้วยอายุไออุ่นคือเตโชและจิตหรือวิญญาณเนี่ยนะแต่ในขณะเดียวกันก็อาหารก็สำคัญได้กี่รูปแลนะ้วเนี่ยยังขาดอีกตัวงคือสีใช่ไหม ที่เห็นเนี่ยเช่นตามองตาเห็นตาเนี่ยนะจริงๆแล้วที่เห็นเนี่ยเห็นสีในบรรดารูปทั้งหมดเนี่ยนะทั้งทั้งสิบรูปเลยที่เห็นจริงๆเนี่ยเห็นสีเห็นเดียวนะแล้วขาดอีกตัวหนึ่งนะคือรสตาประทูนี่มีรสไหมมีตามนุษย์ก็มีรสเหมือนกันนอนมันจึงชอบแล้ยังมีกลิ่นด้วยนะ รูปที่เป็นตัวหลักๆเนี่ยคือมหาพูดสีเท่านั้นเองปฐวีอาโปเตโชวาโย เ, ยเนี่ยส่วนรูปที่เหลือเป็นรูปอาศัยทั้งนั้นเลยมันเป็นตัวที่อาศัยรูปงนั้นรูปที่อาศัยมันจึงลดมันจึงเพิ่มตามสมควรที่ลดเนี่ยลดเพราะมหาพูดคุณภาพของมหาพูดนั้นว่ามาจากสมุทฐานไหนเนี่ยนะอันนี้ในเรียกว่า จักขูทัศกะกลราบชื่อเต็มนะทั้งหมดนี้เรียกว่าจักขูทัศกะกราบทีนี้ในจักรูทัศกะกลราบนั้นไม่สามารถจะอยู่อย่างเดียวได้ต้องอาศัยอยู่ใน ส, สัมภาระจักรสุเนี่ยนะสะสัมภาระจักรสุก็ยังมีรูปกลุ่มอื่นอีกคือที่เป็นผลของกรร ม, มชรูปนะคือภาวะทัศกะใช่ไหมพอตามองตาโดยมากก็รู้เลยว่าเป็นตาผู้หญิงหรือตา ผู้ชายเป็นต้นะนะอันนั้นก็พอมองออกทีนี้ต่อไปอะไรอีกกายทัศกะพวกกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เกิดจากกรรมส่วนที่ทำให้กลิ้งกรอกตาไปมาได้อันนั้นเป็นจิตจิตตะหรื อ, อโอชาธรรมการูปที่มีจิตเป็นสมุทฐาน เียนะก็มีรูปแปดรูปหรือบางทีก็บวกวินยัตเข้ามาด้วยใช่ในขณะที่กรอกตาไปมาเนี่ยนะจะมีกายะวินยัตเียนะทีนี้มันคล่องหรือมันไม่คล่องก็มุทุตากรรมยตาของรูปเข้าไปเกี่ยวข้องอีกเดียวนะก็บวกเขาเรียกว่าลักษณะรูปใช่ไหวิการรูป นี่ยังมีรูปอย่างอื่นอีกที่มาหล่อเลี้ยงคืออาหารชรูปเนี่ยแปดทนี้ในทุกรูปมันจะมีเตโชธาตหมดเลยในนี้เตโชธาต์อันนั้นในนั้นเนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดอุตุชรูปขึ้นเนี่ยนะพราะในอนะันนั้นมีแปดรูปนะอุตุเชรูปจึงรวมเป็นรูปในตาเลยห้าสิบี่รูป แต่ตัวที่เป็นจักขวายตนะมีอยู่รูปเดียวคือจกาาักขขปปรสสะเห็นไกว่าไม่ไม่เอ่อรอบรู้ ร, รูปรูปทั้งหมดเหล่านั้นแต่รูปที่กำลังพูดถึงคือจักขุประสาธะาอันนี้การรู้ชัดอย่างนี้เรียกว่ารู้ชัดจักสุขก่อน มาจากข้างนอกมาจากไหนก็จากข้างนอกก็ตูจับอากาศอย่างนี้สมมติว่าตาเนี่ยนะมันร้อนมันเย็นก็จะอุณหภูมิข้าอกถ้าตอาหารยังมาจากข้างนอกอาหารมาจากข้างนอกแต่ถ้าถ้ามาจากข้างนอกนะมายังไงไอตัวข้างนอกมันไม่ใช่ตาเนี่ย ไม่ใช่แต่มันก็เข้าอณิตาอาหารก็เข้าอณิตาเหมือนกันคือไอ้ข้างนอกถ้ามันเข้าไปในตาได้มันก็จะไปเป็นกลมอาหารเชรูปไปนั่นแหละกลมอาหารเะกลับแต่โดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยมันตัวตัวในลูกตานะีมีรูปมาจากข้างนอกอะไรไปบ้างเอา้าถ้าเช่นเป็นยาหยอดต า, อ ย, าอย่างอื่นก็นับเนื่องในกลมอาหารเชรูปแล้วถ้าถ้ามันไปทํากิจหล่อเลี้ยงและนะ้วนี แต่ถ้ามันมันไม่เข้าไปในในในในสัสามพารจาจักสุมันก็ไม่ใช่ ต, ตานี่มั น, นอุตุข้างนอกมันทให้ตานไวผิดปกติด้วยนะครับอ๋ออันนั้นมันก็ออุตุข้างนอกมันไปมีผลกับด้านอื่นไม่ใช่ตรงนี้ออย่างเช่นมันระ บ, บ, บ, บ, บตานนอะไรความร้อนนี่นร้อนจาก น, น ก, ก็ทให้อุตุานร้อนขึ้นด้วยใช่ใช่ก็เตโชข้างนอกมันทำให้เตโชข้างในมีกำลังขึ้นแล้วเตโช ผลอุตุเหล่านี้มันจึงมาจากเตโชเหล่านี้นะมาจากเตโชวพวกนี้มาคือเตโชมาจากกรรมมัชฌาบเตโชมาจากอาหารชกล์บแล้วก็มีเตโชจากข้างนอกเป็นปัจจัยด้วยไหมมีก็อุตุโรคเรียกว่าอุตุปัจญาอุตุก็ก็มีได้อย่างที่ผู้การว่านะแต่ขูนี่มีประสาทกายานะครับมีประสาทกายด้วยตัวจักรประสาทไม่มีกายอยู่ด้วย แต่ในสสัมภารมีกายอยู่ด้ว ย, อ, ยอันนี้รู้ชัดจากสุถ้าผู้ที่จะรอบรู้ในส่วนนี้นะข้อที่สาคัญจากสุ ค, คือความสายของมหาภูตรูปสี่ก็มาศึกษาเรื่องมหาภูตรูปสี่แล้วก็มาศึกษาตัวกรรมที่เป็นปัจจัยให้มหาภูตรูปเหล่านั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็ศึกษาตันหาที่เป็นปัจจัยแก่แก่กรรมนนี้น ถ้าพูดถึงตันหาแบบทำไมจึงชอบเพราะอะไรเพราะอวิชชาเป็นรากก็เท่ากับแสดงหมดและนี่เมื่อมีตาอย่างนี้เข้าก็ไปรับรู้กระทบกับที่เรียกว่ารูปารมณ์หรือสีสีที่เห็นเนี่ยนะตัวที่เห็นจริงๆเนี่ยที่ตารับได้อ่นะเป็นเครื่องต่ออย่างนี้ได้เนี่ยให้ให้เกิดที่เรียกว่าจักขูวิญญาณขึ้น ตัวรูปนั้นน่ะก็มาแบ่งเป็นกลุมรูปที่เกิดจากกรรมรูปที่เกิดจากจิตรูปที่เกิดจากอุตุรูปที่เกิด จ, จากอาหารแล้วยังมีตัวรูปพิเศษอย่างหนึ่งคืออุตุที่มีเรียกว่ากรร ม, มปัจจะยอุตุเนี่ยน ะ, อ, ะอุตุที่มีกรรมเป็นปัจจัยอีก รูปรูปที่เรียกว่าอุตูที่มีกรรมเป็นตั จ, จัยเช่นพวกวิมานทั้งหลายเนี่ยนะคำนวนว่าวิมานถ้าเป็นพูดแบบเทวดานะพวกวิมานทั้งหลายจักแก้วของพระเจ้าจักรพรรดนี้เป็นอุตูชรูปแต่มีกรรมเป็นปัจจันี่ยนะเรียกว่าเป็นสมบัติเฉพาะของคนมีบุญถ้าคนมีบุญคนนั้นไม่มีนะบุญอ น, นั้นหมดอุตตูนี้จะเปลี่ยนทันทีหรือจะหายไปเลยก็ได้ แต่ทีนี้ถ้าว่าโดยธรรมดาก่อนกรรมมชรูปคืออะไรเช่นผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยนะก็ห้าประการเหล่านี้แหละผมมีอะไรบ้างก็ไล่ไปขนเล็บฟันหนังเนี่ยนะมีอะไรพวกนี้คือกลุ่มที่เป็นกรรมมชรูปเพราะผมแต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันใช่ไหมขนของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเช่นคนนี่คือหนวดเคราอะนะ หรือขนคิ้วนี่ก็ไม่มีความเหมือนกันอะไรก็มีกรรมเป็นปัจจัยหรือเล็บหรือตัวฟันน่ยนะแล้วก็ตัวผิวหนังทั้งหลายก็มีกรรมเป็นปัจจัยทีนี้ในขณะเดียวกันก็มีจิตเป็นปัจจัยด้วยเหมือนกันการกล่าวว่าผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยคือจะได้แยกแยะถึงสะสัมภาระของสีอันนั้นว่าสีอันนั้นอยู่ที่ไหนใช่ไหม ในอย่างเช่นในสีที่กล่าวคือสีในผิวหนังเนี่ยนะอย่างแรกก่อนเกิดจากกรรมแต่สีในผิวหนังเนี่ยจิตก็เป็นปัจจัยด้วยอย่างเช่นเกรงอน่นะก็รู้เลยว่ามีจิตเป็นปัจจัยเนี่ยนะอันหรือมันทาให้นิ้วมันขยับอย่างเงี้ยนะเพราะสีสว่าสีที่อยู่ในนิ้วอ่ะนะแล้วนิ้วมันขยับอันนั้นถือว่ามีจิตเป็นปัจจัยส่วนอุตุหละก็ เหงื่อมันออกอะนะถ้าเห็นเป็นเหมือนกระสีของเหงื่อที่มันออกเป็นต้นอันนั้นก็เป็นพวกอุตุชรูปอย่างหนึ่งหรือถ้าเป็นอากาศเย็นๆเลยนียช่วงอากาศหนาวเย็นยเยือกเนี่ยมองรู้ได้ไหมนะจากอุตุภายในหรือจากอุตุภายนอกเนี่ยก็เห็นได้หรือจากอาหารเนี่ยนะนิ้วบางคนนิ้วใหญ่มากนิ้วเล็กมากเท่าก่านิ้วอ้วนนิ้วผอมเนี่ยนะอันนั้นก็มาจาก าาเพราะฉะนั้นอาหารก็เป็นปัจจัยแก่ผมขนเล็บฟันหนังที่เรียกว่าสีทั้งหลายเนี่ยนะแล้วก็รูปภายนอกอกีกเช่นบ้านเรือนเป็นต้นเนี่ยนะพวกนี้เป็นอุตุแต่ว่ามีกรรมเป็นปัจจัยนะพวกบ้านช่องห้องหอเรือกสวนไรนะ่นาพวกนี้โดยมากเป็นอุตุรูปที่มีกรรมเป็นปัจจัยก็มาพิจารณาถึงสีเหล่านั้ น, น, นที่เกิดจากกรรมจิตอุตุและอาหาร อันนี้ว่าโดยหลักวิชาเป็นอย่างนี้ใช่ไทีนี้ผู้ที่พิจารณานั้นต้องอหยิบอย่างใดอย่างหนึ่งมาพิจารณาถ้าว่าให้เต็มรอนนะรูปที่เข้าไปเกี่ยวข้องต้องเอามาพิจารณาทั้งหมดเ น, นนะรูปที่เข้าไปเกี่ยวข้องนะถามว่าทำไมต้องเอามาพิจารณาเพราะว่ามีรูปไหนบ้างที่ไม่ก่อให้เกิดอภิชากับโทมนัสเมื่อรูปเหล่านั้นเป็นที่อาศัยเกิดของอภิชากธมนัสจึงต้อง รู้ชัดใช่ไหมพันรู้ชัดจากสุรู้ชัดรูปนี่แหะถ้าใช้กรรมก็กรรมที่เป็นปัจจัยมีกี่รูปนี่นะก็โดยทั่วๆไปก็คือเจตนากรรมเท่ า, าไหร่ยี่สิบห้าอารูปอรูปรปพบให้กรรมมันชรูปไหมไม่ได้นี่นะว่ารวมๆแล้วมียี่สิบห้าจิตที่เป็นปัจจัยแก่จิตแต่ชัรูปคือจิต เ5เ น, นเว้นทวิปัญจกับอารูปวิบากเนี่ยนะอุตุก็อุตุ4ชนิดนะกรร ม, มปัจจยอุตุจิตตปัจจยอุตุอาหารปัจจยอุตุอุตุปัจจยอุตุแล้วก็อาหารชรูปเนี่ยนะพวกนี้ก็เป็นปัจจัยต่อที่สำคัญของสีหมดเลย